น้านธรรมยามปฏิมาพุทัววาทะปาทังพนามะเซอนดาธานิภิกขเวหามันสยาภิโวตูก่อนภิกสุทั้งหลายาที่เราขอเดือนส้างทั้งหลายว่า กายตัณมาสตัณการังทั้งขานทั้งไหลมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอาภมาเทนะสัมปาเทต้าอนทั้งหลายทรงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดกายตาตาตาตาตาชิมาวะจาง เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระทาถาโกเจาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแครโรูปามนามตามทั้งหมดทั้งป็นอันไม่เทียง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสาปทชังการาทุกข์กางสำคัญคือร่างกายจิตใจแล้วุูปตามนามตามทั้งหมดทั้งเป็นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิด ข, ขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สาเปตัมลอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทางที่เป็นสังขารและวที่ใชสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไ ม, ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาตัวอังกิวิตัง ชีวิตเป็นของไม่ยังยืนสุวรรณมาตานังความตายเป็นของยังยืนอาวสัมมายามริตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริยสานังเมกีิรังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ทิวิตังเนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารนังเมตยาตัความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาวันทีจ่จะสังเวชอาญากาย ο, ร่างกายนี้อาจิรัง มีได้รงอยู่นานอาเปตาวิญญาณโอรังตราชาวิญญาณชวนชมอันเขาติงเสียแล้วอาทิเย์สดทิมกับนอนทับตาสวิซึ่งแผ่งนินกังิังรังอีวา างว่าต้นไม้และต้นปืนนี่ราทังหาประโยชน์ที่้าย